ก็จเจริญในธรรมนะญาติธรรมทุกท่านเนาะก็ที่นี่ก็อาจา ร, รย์กำพลนักตั้งเชื่อให้ว่าอาสมวิริยะธรรมเดี๋ยวจะแปล อ, อาสมแปลว่าที่อยู่ของผู้ที่ประพฤติ ธ, ธรรมหรือที่อยู่ของนักบวชอาส ม, มวิริยธรรมแปลว่าความเพียรความธรรมะที่แสดงถึงความเพียรความขยัน เราเราเพียรขยันอะไรความเพียรคือเพียรในการละอกุศลละสิ่งที่ไม่ดีดแล้วก็เพียรในการทำกุศลหรือทำสิ่งที่ดีอันนี้แหละคือเรียกว่า เป็นเรียกว่าความเพียรชอบหรือว่าเป็นสัมมาวายามะนะเป็นความเพียรชอบนะอันเนี่ยก็คิดว่าสถานที่นี้ก็เป็นที่ที่แบบเหมือนอาจารย์กำพลก็อยากจะฝากไว้ให้เป็นผู้ที่ให้พวกเรามาตั้งใจในการทําความเพียรให้มากขึ้นเรื่อยๆนะ การจะทำความเพียรชอบนะก็ต้องอาศัยเครื่องมือที่สำคัญก็คือที่เรียกว่าสติหรือว่าความรู้สึกตัวนะ <c oughs> เพราะสติมันจะทำให้เรารู้ตัวเวลาเวลาความคิดไม่ดีเกิดขึ้นนะเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวนะ เราก็จะละมันได้เนาะหรือว่าเวลาเราทำความดีแล้วบางทีเรามีความขยันแต่บางทีก็เกิดความท้อเกิดความเหนื่อยนะก็ต้องอาศัยสติคอยปลุกให้มันเกิดความทําความเพียงให้มันต่อเนื่องขึ้น เพรเวลาเราปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ว่าจะทําแล้วมีแต่ความสงบหรือว่าจะมีแต่ความสุขสบายเท่านั้นนะบางทีก็มีกิเลสนะมีสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นมากมายแล้วก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งสําคัญคือเราจะเห็นมัน แต่เราไม่ไปเป็นกับมันไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็ไม่ติดมันเราเห็นมันเฉยเฉยนะบางทีกิเลสเนาะกิเลสบางอย่างเนี่ยเราเห็นง่ายหรือเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่น่าไ ม, ไม่ไม่น่าเอาเช่น ความโกรธเนี่ยมันเห็นง่ายแล้วก็มันก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่น่าเอาแต่มันก็มีกิเลสอีกหลายอย่างที่บางทีมันเห็นยากเช่นความโลภแล้วก็ความหลงนะมันจะเรียกว่าโลภะกับ โมหะเนี่ยบางทีมันมันละเอียดอ่อนแล้วก็เห็นยากนะถ้ า, าภาษาพระนะอาาความโกรธเนี่ยเปรียบเสมือนไฟร้อนนยความโลภความหลงเนี่ยเปรียบเสมือนกับไฟเย็นมันก็เป็นไฟนะแต่มันเย็นมันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ คือไงบางทีมันสุกแบบค่อยๆต้มเราไปเลย น, นะไฟอ่อนๆค่อยๆเคี่ยวไปสุดท้ายเราก็ฝูกไฟนะจากความโลภจากความโลงนะไม่เราให้บนเวียยในวัฏสงสารเนี้ย นั้นเวลาปฏิบัติธรรมแนวจรตสติเนะี่ยเราจะเน้นในการที่เรียกว่าเห็นแต่ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปติดนะไม่ว่าจะด้านทุกข์หรือว่าด้านสุขนะแต่บางทีนะสติ เวลามันอ่อนเนาะเราก็จะเข้าไปเป็นผู้เป็นนะหรือว่าบางทีก็เกิดจิตที่มันรู้สึกไม่ชอบเราก็อยากจะไปกดข่มหรือว่าผักใส่เขานะ แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องฝึกในการแค่เห็นเฉยนะเห็นเขาเหมือนคี่ใยๆเหมือนรู้สึกเหมือนดมพัดไปพัดมาแบเ น, นีน้ไม่ใช่ว่าเราไปยึดหรือว่าเราไปพยายามห้ามเขาไวนะ้ ไม่ว่าบางทีเราปฏิบัติทำแล้วบางทีมันเกิดความคิดขึ้นมามากมายในจิตในใจนะเราก็แคออ่รู้สึกว่ามันคิดมันเป็นเพียงแค่อาการของจิตนะแต่ถ้าเรามีสติเราจะไม่ไปยึดว่ามันเป็นตัวตนของเรานะ บางทีความคิดมันจะเป็นมันจะเป็นแบบเป็นตัวเป็นตนนะว่าเป็นเราเป็นของของเราเราชอบเราไม่ชอบเพราะเนี้ยมันคือความคิดที่สร้างสร้างตัวตนขึ้นมา บางทีใช่ไหมบางทีเราเคยไหมบางทีเวลาเราทํางานอะไรสักอย่างนะเวลามีคนวิจารณ์เนี่ยมันจะรู้สึกไม่ใช่วิจารณ์งานนะวิจจะกลายเป็นวิจารณ์ตัวตนของเราเนี่ยพะเราเอางานเอาตัวตนของเราไปผูกติดกับงาน งทีปัญหาปัญหาของคนในโลกแบบนี้นะบางทีทะเลาะกันเพราะว่านี่แหละเราเอาตัวตนของเราไปไปยึดติดในในสิ่งที่เรายึดถือเนาะ สตินะจะทําให้เราทําให้เราเห็นหรือว่าทําให้เรารู้ทันเวลาที่เราไปไปยึด ม, มันนะมันจะเกิดการพอรู้ทันมันก็จะวางมันก็จะปล่อย คล้ายๆเหมือนกับเราเราไปจับถูกน้ําร้อนเนี่ยถูกของร้อนแล้วก็พอมือเราถูกเราก็รีบปล่อยทันทีมันเป็นสติก็เหมือนกันพอเรารู้สึกว่าเราไปจับอารมณ์เป็นตัวเป็นตนไปจับความคิดเราก็จะปล่อยมันทันทีถ้าสติเราเกิดนะอืม น่นก็เป็นวิธีฝึกในแต่ละวันถ้าเราแบบคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะในในจิตใจนะเกิดความคิดเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็แค่แบบพยายามเห็นมันเฉยๆนะอย่าไปเป็นกับมัน แต่อีกอย่างหนึ่งที่จะมาช่วยให้สติเราเกิดขึ้นได้ดีก็คือว่ามันต้องมีแบบมีกรรมฐานนะเช่น <c oughs> เราต้องมีความรู้สึกตัวนะ <c oughs> กับกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่ากายที่เคลื่อนไหวหรือว่ากําบริกรรมอะไรเนะี่ยมันจะทำให้เรามีเครื่องอยู่ <c oughs> <c oughs> มันมันจะได้แบบพอตอนมันว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์นะจิตมันก็จะไม่ไร่องรอยไปที่ไหนจิตมันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวก็คืออยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ แต่ก็แบบให้หรือว่าที่จริงก็เราทาการทางานทุกอย่างแ่ะในชีวิตประจำวันของเราเราก็แค่ค่อยรู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่ไม่ใช่ว่าคิดว่าเราทำอะไรนะแค่เห็นว่ากายมันทำอะไร <c oughs> เนะี่ยพอเราทำอย่างนี้ยมันจะเห็นว่าที่จริงมันมันจะไม่ได้เห็นแต่ว่ากายเราทํำตลอดนะบางทีมันจะเห็นโอ้กินข้าวไปก็คิดไปเดินไปก็คิดไปนะั่นเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะ เพราะที่จริงเรามีสติเรามีสมาธินะเราถึงรู้ว่ามันเผลอไปคิดขนาดเดินก็เผลอไปคิดกินข้าวก็เผลอไปคิดเนี่ยเรียกว่ามันดีนะที่รู้ทันทอันนี้แหละเรียกว่าเป็นเป็นความหลงเนาะมันเป็นไฟเย็นที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทัน เพราะคนส่สนยยวนใหญ่เวลาคิดก็จะไปตามความคิดจบเรื่องนี้ก็ไปต่อสองสามเรื่องต่อไปเรื่อยแต่ความคิดเนี่ยเราถ้าเรามีสติมันจะสันส้นๆมันจะแว๊แบๆอ่าแว๊บเดียวแล้วมันก็จะดับอาจจะเกิดใหม่อีกอ่ะก็ไม่เป็นไรมันจะสันส้นๆมันจะแว๊บๆ นี่แหละมันคือมันคือกิเลสนะที่มันมันคอยดอกนะให้ให้เรากลายเป็นผู้สุขให้กลายเป็นผู้ทุกข์นะอยู่เสมอนะถ้าเราฝึกสติเรื่อยๆเนะี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญานะ ปัญญาคือความเข้าใจความจริงของของร่างกายแล้วก็จิตใจแต่ก่อนเราคิดว่าชีวิตนี้คือเราแต่ต่อไปเราจะเข้าใจอ่าชีวิตนี้คือมันก็คือร่างกายกับจิตใจเนาะนะมันมาประกอบกัน ร่างกายมันก็มีความทุกเนาะมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมันก็มีความทุกของร่างกายก็ต้องอาศัยหมอก็ต้องอาศัยอาหารก็ต้องอาศัยอากาศช่วยรักษาช่วยเยียวยา จิตใจเองมันก็มีความทุกข์นะคือความโลภความโกรธความหลงนะั่นแหละมันคือสาเหตุที่ทำให้จิต ใ, ใจมันทุกขนะ์เนาะเนี่ยเราก็จะเห็นเลยที่จริงความทุกข์มันคืออาการนะอาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็ดี หรืออาการที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็ดีที่จริงมันเป็นเพียงแค่อาการมันไม่ใช่เราเราก็จะเห็นไปมันก็จะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็กดับนะมันบังคับไม่ได้เลย เราก็เห็นนนแหะแต่ก็ปัญญามันก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งแม้บางทีร่างกายมันทุกข์แต่เราก็ไม่ต้องเอาจิตใจเราไปผูกเป็นความทุกข์ด้วยก็ได้ดด เ, ไเหมือนอย่างที่เราเห็นอาจารย์กำพลเนาะร่างกายอาจารย์ก็ทุกข์เพราะโรคหลายอย่างนะ แต่จิตใจอาจารย์ก็ยังึดชื่นเบิกบานได้ด้วยนะรหรือบลวงพ่อคำเขียนที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์คำพลนะก็ก็ป่วยหนักก็เสียชีวิตไปนะแต่ก็ตอนป่วยตอนที่เสียก็เสียอย่างเรียกว่าอาการที่ไม่ทุกข์ใจนะ นี่แหละคือจะเรียกว่าเป็นอนุภาพของการการฝึกสติเนะเมื่อเราฝึกสติมันก็จะเกิดอนุภาพก็คือความไม่ทุกข์ใจนะ่ะ อันนี้นะ่าเป็นจะเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่อยาให้พวกเราอย่าได้พลาดในการทำเรื่องนี้คนที่รู้คนที่เข้าใจคนที่ศรัทธาก็ ให้ช่วยกันไปเผยแพร่ให้ช่วยกันไปแนะนำคนอื่นอันนี้แ <c oughs> มันเป็นเหมือนเป็นการช่วยเนาะทำให้คนเราไม่ทุกข์นะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนอกจากเราช่วยจะเองให้ไม่ทุกแล้วก็ ช่วยให้คนอื่นเขาไม่ทุกข์ด้วยอันนี้คือคือการสืบทอดพระศาสนาเนาะเหมือนกับคุณหมอเนานะมีความรู้เรื่องการรักษาโรคก็ช่วยให้คนอื่นเขาหายจากโรคนะอันนั้นก็คือโรคของของร่างกายนะอ่า ก็ดีนะทำให้คนหายจากโรคของร่างกายก็คือช่วยให้คนหายจากความทุกข์ธรรมะก็เหมือนกันนี่แหละช่วยให้คนหายจากโรคนะที่เป็นความทุกข์ในจิตใจนะโรคที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยแหละน่ะ มันทำให้เป็นความทุกข์ใจก็เอาธรรมะเป็นตัวรักษาเป็นตัวเยียวยาเนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรอย่าลืมว่าอันนี้คืองานสำคัญที่สุดในในชีวิตของเราน่ะ 中中แล้วก็ทำได้ทุกที่นะทำได้ทุกเวลาไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับเวลานะธรรมะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาการิโกนะปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ เนื่อถ้าเราทําแบบนี้ได้ก็เรียกว่าชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรนะมีวิริยะธรรมก็คือเพียรในการละอกุศลเพียรในการเจริญกุศลขึ้นเรื่อยๆเนี่ย แล้ว ก, ก็ก็ฝากไว้นะคิดว่าพวกเราหลายท่านก็คงเป็นผู้ที่ประพฤติทำอยู่แล้วนะนนก็ขอให้ตั้งใจประพฤตินะให้มากขึ้นเรื่อยๆนจนทัางเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนาะนน แต่ตอนทำต้องต้องรักความอยากนะอย่าไปทำด้วยอยากด้วยนะถ้าอยากมากมันก็จะทุกข์มากตอนทำก็ดื่มมันไปนะทำเราทำเหตุนะทำเหตุ ก, ก็คือการมีสติมีความรู้สึกตัวเดี๋ยวผลความไม่ทุกข์มันก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะเองอ 只在因上下功夫，不在果上下功夫。我们只只管播重啊，结果它是自然成的。如果每天想的是结果，结果的话，容易走偏。